พันก็ดีใจมากะนะที่ที่ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระองค์พยากรณ์ตรงใจที่ต้องการพอดีเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าตัวเองกําลังปรารถนาอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาบอกว่าท่านจะสําเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้เล่าให้ฟังได้ด้วยเนี่ยแหมจะดีใจขนาดไหนก็เลยเลื่อมใสามากเนี่ยนะเมื่อจะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จหรือให้สําเร็จประโยช น, น์คือความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหลจึงถวายราชมหาราชสมบัติแด่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 ท่านมีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยท่านมีกรร ม, มสักตาศรัทธาอยู่แล้วนั้นท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากคือศรัทธาทีนี้พภอขสมบัติของท่านที่มีอยู่ท่านต้องการให้โภกขสมบัติเหล่านี้เป็นอนนะเป็นอริยทรัพย์ต่อไปข้างหน้านะเหมือนกับว่าเตรียมไว้ใช้สอยภาคหน้าต่อไปอีกท่านก็เลยถวายเป็น พุทธบูชาทีนี้ทรัพย์ก็จะมีแต่ศรัท ธ, ธาและทานก็ไม่ใช่ก็ยังมีอริยซัพย์คือศีลอีกท่านต้องการรักษาศีลท่านก็เลยบวชเพื่อรักษาศีลนี้ยังมีทรัพย์คือสุตตะพะนั้นก็เลยเรียนพระไตรปิฎกในสำนักของพระพุทธเจ้าพันธ์ท่านก็มีซัพย์คือจากขะเนี่ยนะก็สละวิตกสละอะไรสละนิวรณ์สละวิตกวิจารณ์ก็ได้ฌานอภิญญาและท่านเป็นผู้ที่มีตัญญาพันก็สแสวงหาอริยซัพย์ในชาตินั้น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 เ, นะเมื่อเดินลงก็เดินลงสู่น้ํามหาสมุทรชั่วโยอเดียวตั้งอยู่อย่างน่าดูเหมือนฝาแก้วไพลทูลแก้วมณีทั้งสองข้างภายในมหาสมุทรโดยประการนั้นนั้นเรียกว่าวะทะเลนี่แหวกออกเป็นสองส่วนเลยนะพื้นก็จะเป็นพื้นรัตน ะ, ะน้ําทะเลที่กั้นอยู่ข้างข้างก็เหมือนฝาแก้วผลึกมั่นเองอันนี้ด้วยอนุภาพของจักรรัตนะ โดยประการนั้นนั้นจักรรัตนนั้นไปตลอดที่มีสาครร้านทิศบูรพาเป็นที่สุดอย่างนั้นแล้วก็หมุนกลับเมื่อจักรรัตนะนั้นหมุนกลับบริษัทนั้นก็อยู่ยปลายทางพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ตรงกลางตัวจักรรัตนะอยู่ท้ายจักรรัตนเมนั้นกระทบน้ำมีมนทนดุมเป็นที่สุดเท่านั้นเหมือนเหมือนไม่ยอมพรากชายน้าวิ่งเข้าสู่ริมฝั่ง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 อัประหรืออัมมระโคยานัทวีปซึ่งมีขนาด 7,000 โยชนครั้นชนะ อ, อัประโคยานัทวีปที่อื่นที่เรียกว่าอัมมระโคยานัทวีปเนี่ยนะซึ่งมีสาครเป็นที่สุดก็ขึ้นจากสมุดด้านทิศปัจจิมที่ตะวันตกอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อจะชนะอุตรากุรุทวีปอ น, นะอุตรากุรุทวีปก็อยู่ด้านเหนือซึ่งมีขนาด 8,000 โยชนก็ชนะอย่างนั้นเหมือนกัน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 ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคู่อักระสาวกชื่อว่าพระพัทธและพระสุพัทธพุทธอุปถากชื่อว่าพระอนุรุท ธ, ธะพระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคู่อักระสาวิกาชื่อว่าติสาและพระอุปติสาต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นสาละกลยาณี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 พระขีนาศพแม้เหล่านั้นหาประมาณไม่ได้อันโลกกระทำให้หวันไหวไม่ได้แปลว่าท่านเหล่านั้นมีมงคลกันหมดเลยใช่ไหมมงคลโดยเฉพาะสี่ข้อสุดท้า ย, ยาน่ะอะไรพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่มีจิตอันโลกกระทำถูกต้องแล้วก็ไม่หวั่นไหวมีจิตใจที่ไม่เศร้าโศกมีจิตปราศจากทุลีมีจิตเกษมปลอดภัย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 ครั้งนั้นพระโกนธัญญาพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเมื่อปรินิพานก็โลดขึ้นสู่อากาศเจดชั่วลำตาเนี่ยนะรุ่งโรดไปรอบๆเปรียบเหมือนสายฟ้าแลบหลืบเมฆสีน้ำเงินแก่เข้าเตโชธาตแล้วก็ปรินิพานเหมือนไฟหมดเชื้อด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าแสดงตัวเหมือนสายฟ้าแลบหมาย ว, ามว่าทุกองค์เวลาจะปรินิพานเนี่ยเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็บรรดาลเตโชธาตเผาในอากาศเล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 พระวรรธน์ของพระชินเจ้าที่ไม่มีผู้เปรียบเทียบได้นั้นและพระสมาธิที่พระยานอบรมแล้วคือพระองค์เนี่ยมีปัญญาไปอบรมสมาธิเนี่ยนะทั้งนั้นก็อันตรทานหมดสิน้นตอนนี้พระพุทธเจ้าพนะนว่าโกนทัญญาเนี่ยนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าของเราแสดงใครหนอจะได้ยินได้ฟังใครหนอจะรู้จักเพราะว่าสังขารทุกอย่างก็ว่างเปล่าโดยแน่แท้อีกสัก200ปีเนี่ยจะมีคนรู้จักพวกเราไม่นึ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 จริงแต่เป็นความจริงที่เป็นทุกข์มันทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนะแต่พอพ้นไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมตอนร้องไห้ตอนเจ็บปวดมันปวดจริงๆเจ็บจริงๆเสียใจก็เสียจริงๆพออีกพักหนึ่งมันมีอะไรมั่งเหมือนกับท้องฟ้าที่มันแปรปรวนไปด้วยเมฆฝนนะนะพายุใหญ่มาอีกพักหนึ่งก็เอ๊กก็โล่งโล่งไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ไอตอนนั้นก็มีหนาวกับหนาวเหน็บจริงๆอ่ะนะไอตอนร้อนก็ร้อนระอุจริงๆในตอนกลางวันตอนกลางคืนก็เย็นอย่าเยียดจริงๆนั่นแหละ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 นึกถึงอนาคตเราก็นึกถึงพระรัตนาไตรนึกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันเราก็ระลึกถึงพารัตนาไตรเนี่ยนะโศภเป็นพระโสดาบันจะไปไหนใช่ไหมเอาคิดไปไหนก็มีแต่พารตัตนาไตรเนี่ยนะความเป็นพระโสดาบันจะเป็นไป ไ, ปไปไม่ได้เลยหรือพระโสดาบันคือผู้ที่มีความมั่นคงในพระรัตนตรตยนึกถึงอดีตเขาก็ระลึกถึงพระรัตนาไตรได้สิ่งที่จะมีในอนาคตเขาก็นึกถึงพระรัตนตรตยชีวิตของเขาจะมีอะไรนอกจาก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 นั่งรอนั่งรอยืนรอเดินรอแล้วก็จะไปหาบางั้นหาจนพบจนได้นะเชื่อแค่ว่าไปจนพบเจนปะเจอเนี่ยใครจะไม่เจอมังเออก็ก็เป็นอย่างีรแหละพัน้นทํำยังไงที่จะเจริญไอ้พ่อพูนคุณธรรมเนี่ยนะพ่อพูนคุณธรรมที่จะนําออกจากทุกโดยเฉพาะศรัทธาที่มีต่อพระรัตนาตรายกายจะเป็นยังไงก็เป็นไปเธอ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 ในที่สุดเราก็จะรู้ในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเหล่านั้นตรัสรู้เพราะว่าการตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นนี้ปกปิดปิดอะไรได้บ้างปิดอบายทุกขติวินิบาตปิดวัตฏะอย่างเช่นถ้าเป็นพระโสราบันก็ปิดในภพที่แปดได้แล้วเนี่ยนะกลับมหาพระพุทธเจ้าโกนธัญะว่าพระพระโกนธัญะสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริเนานะพระวิหารจันทารามที่น่ารื่นรม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 หรือบางท่านก็มีพระาธาตุอยู่ที่บ้านก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณได้กราบได้วาพันพระาธาตุของพระาศาสดาพระองค์นั้นจึงไม่กระจัดกระจายดำรงอยู่เป็นแท่งเดียวจนหมดหมดปลายเรียกว่าจนกว่ า, าธาตุปรินิพานก็คือกระดูกของพระองค์เนี่ยรวมตัวเป็นคล้ายกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เตโชธาตุที่พระองค์ได้อธิษฐานเอาไว้ก็บรรดาลลุกขึ้นแม้แต่ขมเมาก็ยังไม่เหลือในที่สุดพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็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 แม้แต่ตำนานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมก็จะปิดนะจะปิดลงจากโลกนี้เหมือนกัน น, นะก็ไม่ต้องแปลกใจก็ไปหลายๆแห่งในเมืองเมืองโดยเฉพาะต่างประเทศหลายประเทศหรือบางจังหวัดหลายจังหวั ด, วดสิ่งพระธาตุทั้งหลายที่เคยบรรจุพระธาตุก็เหลือแต่อะไรเหลือแต่ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นโรคขึ้นคลุมไปหมดเนี่ยนะ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 เราพอจะได้ศรัทธาอะไรจากพระองค์ได้มั่งเราได้อริยทรัพย์อะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นบ้างศึกษาพระพุทธเจ้าโกนธัญญาจบไปแล้วแล้วเราได้ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอะไรได้อุทาหรณ์อะไรที่เรียกว่าได้อริยทรัพย์อะไรบ้างจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญญาเล่าเนี่ยนะจะขึ้นพระพุทธเจ้ามังคละ